มั่นใจแล้วว่าทางนี้ใช่แน่ดีแน่เอาแน่แต่เอ๊จะเริ่มต้นอย่างไรยังรู้สึกเริ่มต้นไม่ถูกค่ะ <c oughs> แล้วก็มีความกังวลว่าเอแล้วนานแค่ไหนหนอถึงจะเห็นผลของการปฏิบัติ <c oughs> แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยได้ผลของการปฏิบัติแล้วขอรบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะให้เพื่อนของเราสักนิดนึงเถอะค่ะครับคนที่มุ่งมั่นที่จะมาปฏิบัติธรรม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 กับใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยตรงนี้หละ่ะรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยไม่ช้าไม่นานจิตก็จะพัฒนาพ้นออกมาจากอาการของกายอาการของจิตแต่ว่าเราจะเห็นอ๋อเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทุกนามทุกขรูปทุกคือรูปที่มันมีความเจ็บไข้ป่วยรูปทุกหรือ เ, เห็นนามทุกเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งเป็นรักเป็นโลภเป็นโกรธเนี่ยโอนี่นามทุก